โรงแรมเฮียนห้องพัก407จังหวัดสระบุรีสัมผัสสยองสวัสดีครับเพื่อนเพื่อน พ, นพี่น้องชาวสัมผัสสยองทุกคนวันนี้ผมอยากจะมาเล่าประสบการณ์ของผู้ชายคนหนึ่ง ซึ่งได้ประสบพบเจอกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ซึ่งเขาได้เล่าว่าผมเป็นคนกรุงเทพแต่มีช่วงหนึ่งที่ต้องเดินทางไปสระ บ, บุรีเพราะสอบนายสิบตารวจได้แล้วและศูนย์ฝึกก็อยู่ที่นั่นศูนย์ฝึกภาคหนึ่งมีกําหนดการเดินทางทั้งหมด2วันผมเริ่อมออกเดินทางจากกรุงเทพไปประมาณช่วงสี่ทุม กว่าจะถึงสระบุรีก็ดึกมากแล้วผมต้องวนรถหาโรงแรมกับพ่อสองคนหาอยู่นานมาจนเวลาล่วงเลยไปประมาณเที่ยงคืนกว่าๆก็ไปเจอโรงแรมแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้ๆกับทางรถไฟและน่าจะอยู่ในตัวเมืองสระบุรีด้วยก็เลยตัดสินใจเลือกโรงแรมนั้นกับพ่อพ่อก็พาเดินไปที่ล็อบบี้ บรรยากาศในโรงแรมนั้นเงียบมากพนักงานก็มีเพียงไม่กี่คนบริเวณลานจอดรถที่เดินผ่านมาก็มืดสลัวมันรู้สึกวังเวงยังไงชอบกลเมื่อติดต่อขอห้องพักได้แล้วก็มีพนักงานพาไปที่ห้องห้องนั้นมันเป็นห้อง407เมื่อเปิดประตูเข้าไปก็ได้กลิ่นเหม็นที่รุนแรง มันเป็นกลิ่นของพรมที่ปูพื้นอยู่กลิ่นมันเหม็นหนับเอามากๆตอนนั้นผมรู้สึกขนลุกไปหมดในใจคิดไปต่างๆนานาบรรยากาศของที่นี่ก็น่ากลัวอยู่แล้วยังจะเจอสภาพห้องแย่ๆแบบนี้อีกลักษณะภายในห้องเมื่อเปิดประตูเข้าไปจะเจอเตียงเดียวอยู่สองเตียงที่ปลายเตียงจะเป็นห้องน้า ผมเลือกนอนเตียงในสุดเพราะใกล้หน้าต่างและรู้สึกปลอดภัยกว่าส่วนพ่อก็นอนอีกเตียงหนึ่งซึ่งถ้ามีใครมาสะกิดในตอนกลางคืนพ่อก็ต้องเจอก่อนผมเล่นเน็ตไปสักพักพ่อผมก็เอ่ยปากบอกว่าเอ็งมานอนเตียงนี้พ่อหนาวผมคิดในใจว่าแอร์เจ้ากรรมดันทะลึ่งมาลงตรงเตียงพ่อพอดี แถมยังปรับอุณหภูมิไม่ได้อีกผมก็เลย จ, จําใจต้องไปนอนเตียงนอกเวลานั้นก็เกือบตีหนึ่งแล้วจัดของกันเสร็จพ่อก็ไล่ให้ผมไปอาบน้ำแล้วเตรียมตัวนอนเพราะพรุ่งนี้เจ็ดโมงเช้าผมต้องไปสอบว่ายน้ำผมก็เลยเข้าไปอาบน้ำซึ่งห้องน้ำของที่นี่ก็พอใช้ได้ไม่ใหม่แต่ก็ไม่เก่าจนเกินไป พอเปิดประตูไปจะเจออ่างอาบน้ำชักโครกอยู่ขวามือซ้ายมือเป็นอ่างล้างหน้าผมเลยเปิดน้ำอุ่นไว้ให้เต็มอ่างระหว่างรอให้น้ำอุ่นเต็มอ่างผมก็นั่งบนชักโครกเล่นโทรศัพท์สักพักก็ได้กลิ่นเหมือนหนูเนา่ามันเหม็นมากกลิ่นนั้นมันลอยมาเตะ จ, จมูกแล้วก็หายไป ผมพยายามหาต้นตอของกลิ่นแต่หาเท่าไรก็หาไม่เจอพอนั่งไปอีกสักพักกลิ่นนั้นก็ลอยมาอีกจะว่ากลิ่นมาจากข้างนอกก็คงไม่ใช่เพราะในห้องน้ำมีพัดลมดูดอากาศผมเลยลุกขึ้นพยายามหาอีกรอบหนึ่งคราวนี้สายตาก็เหลือบไปมองที่กระเบื้องปูพื้นซึ่งมันมีคราบเหลืองๆติดอยู่ มันออกเหลืองเหลืองข า, ขาวขาวดูเหมือนน้ำหนองเมื่อเพ่งมองลงไปก็เห็นมีเส้นผมยาวๆติดอยู่ด้วยผมลองใช้เท้าถูแต่ถูยังไงก็ไม่ออกเหมือนกับว่ามันติดเป็นเนื้อเดียวกันกับกระเบื้องเลยแต่พอมาเนึกว่ามันคงไม่ใช่ที่มาของกลิ่นเหม็นนั้นผมก็เลยไม่ได้สนใจแล้วไปอาบน้ำจนอาบน้ำเสร็จ ผมก็ออกมาจากห้องหลังจากที่พ่อผมอาบน้าเสร็จพวกเราก็เข้านอนด้วยความเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางผมก็หลับไปโดยลืมที่จะไหว้พระก่อนนอนกลางดึกผมก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาอีกครั้งในความมืดนั้นผมรู้สึกอึดอัดมาเหมือนกับว่ามีอะไรมาทับอยู่เราจะขยับตัว ขยับแขนขยับขาก็ขยับไม่ได้แม้แต่จะตะโกนเรียกพ่อก็ไม่มีเสียงความรู้สึกในตอนนั้นผมรู้ตัวว่าตื่นอยู่ลืมตามองได้แต่ขยับตัวและพูดไม่ได้ก็เลยนึกถึงพ่อแกเพราะผมนับถือปู่ฤาษีตาไฟสักพักผมก็ขยับตัวได้ด้วยความกลัว เลยรีบหันตัวม่อีกครั้งเพื่อจะเรียกพอ่อแต่ทันใดนั้นเองจังหวะที่พลิกตัวมาสายตาผมก็เลือบไปเห็นผู้หญิงคนหนึ่งใส่ชุดขาวเธอยือนตัวเปียกอยู่ที่ประตูห้องน้ำผมรีบขยี้ตาในทันทีคิดว่าตาฝาดแต่เธอก็ยังไม่หายไปผมพยายามขยี้ตาซ้ำอีกครั้งคราวนี้เธอหายไปแล้ว ผมรีบลุกไปเปิดไฟทันทีแสงสว่างจากหลอดไฟปลุกให้พ่อตื่นขึ้นมาพ่อจึงถามว่ามีอะไรแต่ผมก็ไม่กล้า บ, บอกเลยบอกว่าอยากเข้าห้องน้ำแล้วผมก็เดินเข้าห้องน้ำเปิดไฟในห้องน้ำทิ้งไว้เพราะจะเปิดไฟห้องก็กลัวพ่อนอนไม่หลับคืนนั้นทั้งคืนผมไม่ได้นอนเลยเพราะความกลัว เช้ามาผมไปสอบไหว้น้ำเสร็จเลยเล่าให้พ่อฟังพ่อบอกว่าอย่าคิดมากพ่อไม่เห็นเจออะไรเลยผมก็ใจดีสู้เสือจะกลับก็กลับไม่ได้เพราะพรุ่งนี้ก็ยังมีสอบอยู่พ่อพาผมกลับมาที่โรงแรมช่วงเทียเท่ยงเทด้วยความเหนื่อยจากการสอบพอมาถึงห้องผมก็หลับไป ตื่นมาอีกทีก็เป็นเวลาประมาณสองทุ่มแล้วก็พบว่าผมอยู่คนเดียวภายในห้องและตอนนั้นในห้องก็มืดไปหมดผมรีบลุกไปเปิดไฟเพราะกลัวจะเจออะไรแบบเมื่อคืนอีกไม่นานนักพ่อก็กลับมาเวลาประมาณห้าทุ่มผมก็เดินออกมาจากห้องเพื่อไปขอรหัส w i ไฟใหม่ที่ด้านล่าง เพราะที่นี่เขาจะให้รหัสใช้วันต่อวันระหว่างที่เดินไปนั้นก็รู้สึกได้ว่าทางเดินมันเงียบมากไม่มีคนเลยแม้แต่คนเดียวผมเดินไปจนใกล้จะถึงหน้าลิบแล้วก็ต้องตกใจกับเสียงที่ได้ยินเสียงนั้นดังมากเพราะผมหันไปดูก็ไม่เห็นมีอะไรแต่รู้สึกได้ว่า มันดังใกล้มากผมเริ่มใจคอไม่ดีแล้วจึงรีบกดลิบแล้วลงไปขอรหัส wi-fi เพราะได้รหัสมาแล้วผมก็รีบกลับเข้าห้องอย่างรวดเร็วคืนนั้นผมสวดมนต์และบอกเจ้าที่เจ้าทางว่าผมมาสอบขอภาคัสเพียงแค่ชั่วคราวอย่าเบียดเบียนอย่ามาหลอกหลอนกันเลย แล้วคืนนั้นก็ผ่านไปด้วยดีเช้าวันรุ่งขึ้นหลังจากที่ผมสอบวิ่งเสร็จก็กลับมาถึงโรงแรมประมาณ11โมงอาบน้ําเก็บของเตรียมตัวที่จะกลับบ้านผ ม, มาอาบน้ําเสร็จก่อนพอ่อเลยมานั่งรอที่เตียงระหว่างที่รออยู่นั้นใจก็อยากจะไปให้ผลจากที่นี่เร็วๆสายตาผมกวาดมองไปรอบๆห้อง ก็ไปสะดุดตากับตู้ไม้เก่าๆตู้หนึ่งมันดูน่ากลัวที่หลังตู้มีลำโพงเก่าๆวางอยู่ด้วยตอนนั้นไม่รู้ว่าผมคิดอะไรอยู่ปากไวพูดไปว่าสาธุถ้าคนที่ผมเจอในห้องนี้มีอยู่จริงกลับบ้านไปขอให้ผมถูกหวยด้วยเถอะผมจะทําบุญไปให้หลังจากที่ผมกับพ่อออกไปจากโรงแรม เดินทางมาถึงบ้านผมก็จำไม่ได้หรอกว่าพูดอะไรไปแทบลืมไปหมดแล้วด้วยซ้ำพอมาถึงวันหวยออกผมก็ได้ฝันเห็นผู้หญิงคนนั้นแม้ในฝันจะเห็นไม่ชัดเท่าไหร่แต่ผมก็รู้ได้ว่าเป็นเธอเมื่อผมสะดุ้งตื่นขึ้นก็คิดว่าจะซื้อเลขอะไรดีในใจคิดว่าเมื่อคืนใส่ซองผ้าป่าไป แล้วเขียนหน้าซองเป็นชื่อโรงแรมที่ผมไปพักตามด้วยเลขห้อง407ผมก็เลยซื้อเลข407กับ704แล้วเย็นวันนั้นเวลาประมาณบ่ายสี่โมงหวยก็ออกเป็นเลข704จริงๆซึ่งมันตรงกับที่ผมซื้อพอดีเป๊ะผมถูกหวยเต็มๆงวดนั้นก็เลยทำบุญใหญ่แล้วเธอคนนั้นก็ไม่เคยมาปรากฏตัว หรือมาเข้าฝันผมอีกเลยผมคิดว่าเธอคงไปอยู่ในภพภูมิที่ดีแล้วหลังจากนั้นเมื่อผมได้มีโอกาสไปพูดคุยกับน้องที่สอบตำรวจด้วยกันที่สระบุรีน้องเขาก็บอกว่าแม่ของเขาเล่าให้ฟังว่าเมื่อหลายปีก่อนมีผู้หญิงโดนฆ่าแล้วหมกศพไว้ที่โรงแรมนั้นแต่ไม่รู้ว่าห้องไหนอยู่ชั้นบ น, บน เมื่อรวมกับก่อนวันที่ผมจะกลับจากโรงแรมผมได้ไปถามแมคคาล้านกะรี่ปับซึ่งอยู่หน้าโรงแรมทีแรกเขาไม่ยอมบอกผมก็ตือและซื้อของร้านแกเยอะด้วยแกจึงยอมบอกว่าโรงแรมนี้เจอกันบ่อยตัวเขาเองเป็นลูกจ้างมาขายของอีกทีเจ้าของร้านกะรี่ปับชื่อดังของสระบุรีเขามาพักโรงแรมนี้บ่อย เจอบ่อยมากเจอจนชินส่วนใครจะคิดยังไงผมไม่รู้แต่ผมเชื่อว่าวิญญาณของเธอคนนั้นมีอยู่จริงหวยงวดนั้นก็มีเป็นร้อยเป็นพันทำไมต้องออกเลข704หากมันเป็นความบังเอิญผมคิดว่ามันคงบังเอิญเอามากๆเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงทุกประการ หากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยสุดท้ายนี้ขอให้เรื่องนี้เป็นวิทยาทานในการใช้ชีวิตอยาอารมณ์รอ้อนอยาใช้ความรุนแรงกันเลยจะได้ไม่มีใครที่ต้องไปตายในที่ที่ไม่สมควรตายและต้องอยู่รอวันที่จะได้ไปผุดไปเกิดขอให้บุญกุศลจากการเล่าเรื่องสู่เพื่อนมนุษย์ในครั้งนี้จงบันดาลให้เธอคนนั้น ห้อง407จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดไปอยู่ในภพภูมิที่ดีด้วยเถินสมัมผัสสยอง